ยิ่งกว่าต่อสู้ี่เละแล้วพูดได้อย่างเต็มปากทีเดียวแต่เ ว, เวลามันผ่านของมันไปมันไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่า อ, าอา้าวของคุณนะกอ้ชายชนะแน่มันคุ้มค่าไม่ได้เสียดายกำลังอ้โหเราทำอะไนั้นนีไ่ได้ะไ ม, ม่เสียดายเลย ทีหลังการมันชุบชมมานี่ผมก็รู้ัท้องผมมันเป็นมานี่แต่ผมไม่เคยเสียดายทีมันท้องมันเป็นเฉพาะนิสัยเราเป็นนิสัยผาดโผลถ้าว่าอดอาหารก็อย่างว่านะมันไม่ได้คํำมึงพี่บอมมันจะเป็นจะตายท้องจะเสียอะไรอะไรมันไม่เคยคำมึงเพราะมันได้เห็นเห็นมันเห็นผลของมันอยู่ในการอดมันกับฟาดกันไปบวดเวลามัน แสดงออกมาแสดงม า, งมาจนกระทั่งถึงอดอีกไม่ได้รู้นั่นแหละทั้งผมก็เป็นมาตั้งแต่นั้นะมาเรื่อยมาเราก็ไม่เสียดายทุกข์มากจริงนะความเลียรแต่ความอัศจริตรกับความทุกข์มันคุ้มค่ากันที ถึงขนาดนั้นก็ไม่เห็นด้ในความอายจรนไปแล้วครั้งแล้วครั้งและเวลามันหมดมันหมดจริงๆนะมันแปลกจริงๆนะควา ม, มรู้นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างมดในโลกที่ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่คำรู้ที่ละเอียดก็พูดไม่ถูกนะละเอียดมันก็เลยเป็นสองภาษาคำถ้าเรามาแยกออกมาว่าละเอียดเนยะมันสักแต่ว่ารู้เท่านั้นนะ อย่าขนาดนาั้นนะจิตน่ะฟังสิคำว่าสักแต่วรู้ ก, กับความอัศจรรย์มันเป็นอันเดียวกันมันหมดเลยร่างกายก็หมดในความรู้สึกเวลานั้นไม่เกี่ยวกันเลยไม่ต้องพูดทึงเรื่องสิ่งภายนอกอืแผ่นดินทั้งแผ่นไม่ต้องพูดแหละอืแล้วสิ่งที่เกิดอยู่กับแผ่นดินทั้งแผ่นนี้เราก็ไม่ต้องพูดคิดดูตั้งแต่ร่างกายมันยังไม่มีอะไรเลยอืมันสักแต่ว่ารู้ นี่หมายถึงเวลาฟาดกันเต็มที่แน้วนี้นะอ่ตะลุมบอลกันเอาเป็นเอาตายครับบอกามได้ใครจะนั่งมันมันลงของมันมันผ่านได้หมดแล้วด้วยอำนาจของปัญญาฟาดจปลงไปลงไปลงไปจนไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวแล้วมันหายเงับไปหมดเลยที่มันอาศจรรย์และมันหมดจริงๆปรากฏว่าไม่มีอะไรเหลือเลยและทําไมหรอนะนี่จะพูรู้อันเดียว นี่ว่ า, าพูรู้นี่จะว่ามาันจะเด่นเด่นอย่างอันนี้ก็ไม่ได้นะเขาพูดได้เราออกมาพูดได้อย่างเต็มปากก็คือว่าสักดิทวารู้กับอัศจรรย์เกิน่าทั้งทั้งที่เวลานั้นมันอวิชชาครอบงำอยู่นะเราไม่เคยสนใจพิจารณาอวิชชาตอนนั้น <laughs> สวยสวยหมายก็ว่ากินกินข้าวก็กากอะวะ เที่ยวหารตั้งกระดูกก้างๆเลยก็ยังอร่อยเนะอ่อนี่มันเป็นขั้นขั้นของมันพอจากนั้นแล้วมันพูดไม่ได้แล้วนี้งๆที่ว่าสักจอัศจร ร, รรย์มันก็เลย ม, มันพูดไม่ได้เสียจริง แ, แ, แล้วมันจะเป็นยังไงฟังสิขั้นนั้นเราว่าอัศจรรย์เต่มเกินคาดแล้วอขั้นกินข้าวกรับกบากกแหนบกลัคืออิชานอย่างน้นะ กินเคี่ยวมันตั้งอวิชาเลยวะ่ะเคี่ยวหม้ออวิชานั่นเรายัางว่าอร่อยแล้วอาจะพูดด้วยว่าเราได้เคี่ยวหัวออวิชาก็อร่อยอร่อยแล้วเกินเกานั่นวะ่ะเคี่ยวหัว อ, อวิชาเคี <c oughs> ่ยวตายอะไรไม่เห็นในพิจิามทั้นี้หนึ่งจะว่าเคี่ยวมันยังไงใช่ไหมมันไม่ได้เคี่ยวเหมือนมีแต่มันต <c oughs> ่อมว่าอาจารย์อาจารย์ น, นนะ <c oughs> พูดพลิกปลายด้านด้วยโอยความอาห า, า, าราไม่ทมาจากไหนนะ ที่ดูกลักลวเพราแม่กุบอาจารย์โมโหไม่ได้กลัวเลยนะมันอาจถามมันอยากพูดอยากเล่าถวายท่านอืม โ, อโหคึกครับขึ้นปั้งเลยนะท่านจะเห็นในสายเราขนาดนั้นนะ่ะอันนั้นแหละนะแต่ก่อนไม่เคยแสดงอะไรเลยจิตมันจริงมันจังขนาดไหนมันก็ไม่เคยแสดงที่ยาไมให้อย่างนั้นแต่พอความรู้นี้ปรากฏขึ้นมาแล้วขึ้นหท่านปับ๊บเฉพาะสองข้อสองนะ กาบเรียนท่านเลยอูอ้ยท่านก็เจ้าของหมาวะจะมันใครจะไปฉลาดยิ่งกว่าท่านนั่นนะคืนนี้แต่งะกาบเรียนผึังผึ่งเละ น, นะไม่มีสตุขตทานนะ่ะนี่ความจริงท่ามันเลยรู้แล้วนะตลอดถึงการพิจารณามันก็รู้เลยพิจารณายัางไงมันรู้ไปหมดเลยมันพูดไปได้หมดตกระทั่งถึงผลที่มันปรากฏขึ้นมาพูดอย่างเต็มที่พอพูดจบลงเวลาเราพูดนี่ท่านหนึ่งครั้งะ อันนี้ก็ตึงตึงตึงตึงเลยนะโอ้ยบาดไม่นจ้เลื่นคงจะว่ไหมโอ้ยไม่ใจะเล่่อนบาดตัวนี้เวลามันขึ้นคงจะ่าก่อนไม่เคยขึ้นเลมไม่ขึ้นคราวนั้นอ่านหานพอจงแล้วมันต้องอยังนั่นจะขึ้นเลยที่นีท่านก็ใส่ตึงตึงแล้วก็หมอฟังจริงๆนะท่านนะทุกจีทุกจีอะไรนะอ้ามันไม่ตายถึงห้าหนอ า, นาภาพเดียวใ มันตายเพีนหน่วเดียวท่านนั้นเอาฟาดลงไปที่นี่วะเอาได้ทีแล้วที่นได้การแล้วได้การทันหวนเอาฟัดลงไปนั่งโอมันก็เหมือนหมาตรงนี้พาพอออกมาจากท่านทั้งจะกัดจะเห่าท่ฟาดกันเลยเอาเลยกราบเ่ินท่านเลยท่านฉลาดลาน า, นาเพราะมันต้องโอ้ยก้าคืนสิคืนมากว่านะจผมนั่งตลอดลุมตลอดลุ่มไม่ใช่ธรรมาเพราะเอากันเต็มเหนี่ยว เห็นทั้งความอัศจรรย์ด้วยทั้งความเคียดแค้นที่จิบมันเสื่อมนั่นด้วยมันเข้ามันก็มีกำลังเต็มที <c oughs> พอนานก็ไปนี่ท่านก็แยกออกมาที่เหลกมันไม่อยู่กับร่างกายทัา น, นวา ง, างนี่นะมันก็ยกไปลมามาเวลามันกาลังคึกขอนอง มันไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเลยนต้องทรมานมันอย่างเต็มที่อันหวนมันหวานนี่นะไม่ควรให้กินยญ้าไม่ให้มันกินเลยทรมานมันอย่างเต็มที่เอาจุมันกระดิดไม่ได้อันหวานนี่พอมันยอมลดพยศลงก็ผ่อนการทรมานลงเมื่มันผ่อนความพยศลงหน้ากัการปลดทรมานก็ผ่อนกันลงไปท่านพู้เพียงเท่านั้นนะ เราเข้าใจกันทีถ้าท่านจะพูดมากกว่านั้นเพราะท่านเห็นนิสัยของเรากลัวเราจะอ่อนเปียกไปเสียท่านเลยแยกไปเสีย่เพราะนั้นเราก็เข้าใจกิเลสมันไม่ได้อยู่กับธาตุอยู่กับกายอยู่กับจิตทั้งนั้นท่านพูดขึ้นขึ้นเบ้งต้นขึ้นนี่ออกท่านมันขั้งไปมานเลยออกมาก็รมาการทรมานเราลันรมันมันผาโนขนทั้งกับรู้ ก็ไม่กี่วันก็กลับเยี่นท่านด้วยนี่เว้นสองวันบ้างสามวันบ้างแล้คือในปัญหานั้นผมไม่นอนกลางวันนะกลางวันผมไม่เคยทําวันเลยนอกจากคืนไหนผมนั่งตลอดลูกนะผมกับพักให้ <c oughs> ถ้าวันถ้าธรรมดาแล้วเป็นไม่พักให้เลยเปีนั้นเราอยากหักผมที่สุดในชีวิตของเราที่เป็นนักบวชนี้ เป็นพรรษาที่สิบนั่น ห, หักโหมมากเกี่ยวมีเกี่ยวเรื่องร่างกาย ห, ากหักโหมมากอันนี้จากนั่นก็จิตที่หักโหมก็คือจิตในขั้นสติปัญญาตัว ม, มัิอันนี้หักโหมคือไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จักยับยั้งเลยไม่ไดหมุนจิตจนจะของจะตายนอนไม่ได้คือจิตไม่ยอมหนอนไม่ยอมหยุดมันทํางานของมัน เป็นธรรมจักรอันนั้นเดี๋ยวหัาโหมทางปิอันนั้นมันเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันนะมันไม่ใช่บังคับอันตอนต่อสู้กับทุกเวทนาเนี่ยมันบังคับกันทุกด้านหัโหมร่างกายนั่งทานอาหารตอนเช้าเดินั่งพับเพียบท้องเอ่อยเนี่ยขอไปก้นนี้เหมือนกับมันพองไปหมดนะโอ้ยนั่งคายสมาร์ไม่ได้คือตอนนั้นเระตอนเราไม่ทน นั่งกันนั่งนั่งก็นั่งไม่ได้แล้วตอนนั้นเราไม่ตั้งใจจะทนกับมันจะสู้กับมันเราจะสู้กับรถอาหารต่างห่างหรือว่าเราจะขึ้นรถอาหารต่างหางแล้วก็ไม่แ้วไม่ทนมันจึงต้องนั่งเพาเพียบใช้หนังหันนี่หมายถึงวันไหนมันมันหักของมันเป็นที่จิตลงมันง่ายนะมันมันแพ้ทางร่างกายมากเดี๋ยวแต่ถ้าวันไหนมันจับมันติดปั๊บปั๊บเกาะอ้ปั๊บป๊อย่างนั้นมันก็ธรรมดานั่งตลอดลุ่งเวลาเท่ากันก็ตามไม่ มีอะไรชอ็อกท่ามทันในร่างกายเลยเพอลุกขึ้นไปเลยธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานั่งสามสี่ชั่วโมงเขาตามธรรมดาผมนั่งภาวนานี้ถือเป็นธรรมดานะอันสามสี่ชั่วโมงนี่ยผมถือเป็นธรรมดาธรรมดาของผมนะนั่งตา ม, มาตะยาสายผมต้องสามสี่ชั่วโมง้นั่งมีไวล้ละเวลาบ้างก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ออกเช่นอย่างกลางวันเห็นหน้าหนาวอย่างนี้นะหน้าหานาวกลางกลางวันมันน้อยกลนคืนมันมาก แล้วมันลงเดินยังกลไม่ได้หน้าหนาวตัวมันแข็งไปหมดเดินได้ไหมนี่เราต้องสงวนเวลาไว้สําหรับเดินให้มากนั่งพัฒนากลางวันเพียงชั่วโมงเดียวลงจากนั้นก็เดินยังกลัจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวอดเพัดกว่าดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปัดกวอดอยู่คนเดียวเยอะมากอะไรเห็นแล้วก็ไปอาบน้ำในคลองในอะไรก็แล้วแต่เขามันไปอยู่ในที่ต่างๆ คือตามซอกหินจอกขาอะไรก็แล้วแต่ในห้วยในคลองที่ไหน็ออาดแล้วขึ้นมาที่นี่เดินคนเดียวเอาจนกระทั่งมาางนันเย็นมันหนาวข้าหนาข้าวอะไที่เข้าที่พักออกไม่ได้นะนั่งยืนนั่งนานนะมันเหนื่อ ย, อยนี่เดวน น, นกลางวันต้องพอทันยันเสร็จแล้ว ล้างบาทล้างอะไรเช็ดใบแร้ยแล้วไม่เข้าถลกแล้วเอาไปวางไว้ปุ๊บแล้วเข้าทยงกลมเลยวาดมัินจนพุนสิบเอดงเป็นอย่างน้อยเที่ยงออกมาอย่างนั้นพักอันนั้นก็ลงเดินอยู่อย่างนั้นเป็นประจันแล้วไหนมันล่างการมัน มันแพร่กันมากมันปิดมันลงไม่ยากวันนั้นอะมันที่ว่าที่ว่าได้นั่งเขาเพียบนะนั่งเขาเพียบแต่เนื้อมันเหมือนไฟเผาอยู่คนบางทีนัก็เอามือเอามือคลำดูนะนี่มันพองหรือมันมันมัได้ฟองไม่พองอะไรกระดูกเหมือนมันจะแตกกลางวันก็ดีนะไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะเวลาเรานั่งภาวนา กระดูกการส่วนร่างกายตัวต่างๆนี่เหมือนมันจะแตกกรหักเพราะมัน บ, บอดช้ำมาตั้งแต่กลางคืต้องครั้งจรงต้องเดินให้มากขึ้นเยอขนาดเจ็ดแปดชั่วโมงอ น, นี้ผมนั่งมาตลอดลุ้มเจ็ดแปดชั่วโมงม น, นี้มีเป็นครั้งสองครั้งเท่ า, านั้นแหละส่วนสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนี่ไม่ต้องพูดเป็นธรรมดาธรรมดาไม่เห็นเด็ดหเหมือนอะไร ตั้งแต่ต่อสู้เวทนาใหญ่มาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดนั่งสีหา้าชั่วโมงเวทนาใหญ่ไม่เคยกากดธรรมดาธรรมดานี่ความเคยริงปรกกาหนึ่งก็จิตแต่ความมุ่งมั่น่คือมันมีกำลังมากมันไปนสนใจอะไรกับความเจ็บปวดอะไรหนระืออยู่คนเดียว อมันสนุกตัวก่อความเปลี่ยนะไม่คุยก็พูดกับใครเลยมีแต่คนเดียวไม่มองเห็นใครเห็นแต่เราคนเดียวไม่กินข้าวกี่วันก็ไม่เห็นใครแล้วนั้นฟาดกันอย่างนี้หนึ่ว่ามันโคู่กันนาอนบางทีที่เหลวมันกล่องเราเหมือนกันนะเออมาอยู่นี่เหมือนคนสิ้นท่าไม่มีคุณค่ามรณาฐานลมสารเขาก็อยู่ได้สะดวกสบายเราทำไมยังต้องมาผุดปรมาณดี ในป่าในลกกับสัตว์กับเชื้ออะไรอย่างนี้นนแล้วนี่คุณค่าราคาอะไรมันทําให้น้อยใจนะมันมีกิเลสมันกับที่คุณบอกเหมือนอย่างพระชิอ่านนั่นแห ะ, ะวัชชีบุตรพระวัชชีบุตรมีลูกชายคนเดียวเป็นลูกเศรษฐีนี่ชื่อวัชชีบุตรสกุลวัชชีด้วยนะแล้วเพื่อนของท่านมิกระทูกก้กษัตริย์ พวกวงกษัตริย์กษัตริยนัทชวี อ, อะไรนะนี่ท่านไ ป, นประยุทป่าช้านั่นก็มีทางไปข้างๆป่าปช้านั้นเข้าไปเล่นนักสัตว์แต่ก่อนเยอะนักสัตว์ก็พวกมโหสถพบงานกันนี่แหละอย่าเป็นอะไรต้องรำทําเพลงไปนั้นท่านกระจาเสียงได้หรือที่มที่มันทําให้ประวัติกลับประมาหาเจ้าของโอ้โหเหล่านี้เขาก็มีความปลูกความสบายกันนี พอไปเท่ารื่นลริงบันเทิงกันแล้วเรามาอยู่ในป่าชาติผีตายเหมือนกับเราก็เป็นคนตายคนหนึ่งทั้งที่มีลมหายใจอยู่เรานี่เป็นคนหมดคุณค่ายังไงถึงต้องมาอยู่อย่างนี้ทําให้น้อยใจนะตอนนั้นตากฏว่าเกิดความทอถอยน้อยใจเทวดาเคยเป็นเพื่อนกันมาที่นี่ยเคยเป็นชาติกันมาแต่ก่อนสถิตยุบนอากาศ บอกลงมาเลยบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่ามากองค์ท่านเองเป็นผู้มีคุณค่ามากประกอบการงานที่ชอบทำและเป็นการงานที่มีคุณค่ามากไม่มีใครสามารถประกอบการงานที่มีคุณค่ามากมเหมือนอย่างท่านท่านทำไมจึงมาตำหนิปิเียนในคุณค่าของตนอย่างนี้มไม่สมควรอย่างนี้เ<ม><ม>ทวดาคริมได้สติปุ๊บจิตย้อนประกอบความเช ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นนะพระวชีบุตร น, นมันมีเรื่องกิเลสมันคอยแทรกตลอดนะในวงความเพียรตั้งแ้่ที่เกิดเคยกล่าวมานันแนหะอันนี้เราก็บางทีมันมีมีงาวันนึ่งนะีผมยังไม่ลืมนะผมไม่ได้ดูนาฬิกาแล้วก็นั่งภาวนาจะไปดูนาฬิกาลแลต่มันดึกจริงๆอนะ่ะนนั้น กินมันล ง, ลงไม่ได้อย่างน้อยต้องหกทุ่มวัดถึงมันนึ่ลงไม่ได้แล้วเขาก็ทางทางัศสาเก็เรียกลําเขาลํายาวไปข้ามทุ่งนาไปจากบ้านน้ามนเนีษยเขามาเที่ยวสาวทางบ้านน้ามนุษยเขาเขาอยู่บ้านพลทองทรงนู้นตอนออกม้านวัดบ้านน้ำมนุษ์เขาลํายาวไปเดี๋ยวทางอากาศจะร้องเพลงแต่นี่เขา เขาลำยาวเลยเพิงปลายภาคนี้จิตมันยังมีตกขึ้นามาเขายังมีความเป็นขนานอีก น, นิดหนึงให้เรานี่กําลังตกนรกทั้งเป็นว้าดูสิไม่ขึ้นนะไม่มีใครที่จะทุกข์ยิ่งกว่าเรานะคนในโลกนี้กําลังตกนรกทั้งเป็นอันนี้มันก็ปุ๊บขึ้นอีอู่เหมือนกันนะตกนรกทั้งเป็นกับกิเลสตกนรกทั้งตายกับกิเลสมาผูกกับ ก, กันแล้วนี่จะมาตะเกียกบตะการตนนั้นคนจากกิเลสทําไมจึงเห็น ว่าเป็นของทุกของลำบากท่านป ร, ประกอบหาประกอบความเพียรหาอะไรหานกรกอวิชฌิตี่ไหนอยู่แล้ว น, นานมันป๊ป๊บคืนเลยมันแก้กันบันทีจากนั้นจิตมันก็ลงได้นี่แหละมันเรียกว่ามานันเป็นไปได้ในใจของเราทั้งหมดมันมันมีนมแต่เดียวนะ อาการแสดงออกมาเราไม่รู้มันได้ไง่ายๆนะมั น, นมีอาการวิเดทงนั้นออกมาเพ่นพ่านออกหน้าออกตาในวงใจหัวใจพระในวงความเพี่ยนของพระในเอียบทของพระในอาการของพระที่แสดงออกของพระลาที่แสดงออกมันมีแต่นี้ออกหน้าออกตาวดเลยที่สุดมาเราอยากว่าิเดทมันโง่นะมันฉลาดที่สุด มันจึงทําให้เราโง่หลงความเพลินกล่อมเพรามันยางสนิทติดใจไม่มีวันจิตจางใครจะจิตจางกับยิ่เดชเบื่อน่ายยิ่งเดชมีหลือในโลกนี้แล้วเคยอยู่กับมันมาเท่าไหร่ดูเถิมันลึกซึ้งไหมเพลงของมันรสชาติของเดชถ้าไม่มีรสชาติของธรรมเข้าไปเทียบเคียงเข้าไปเป็นคู่แข่งแล้วเราจะไม่เห็นโทษของมันเลยอืม มันก่อมได้จะหนิดพอมีรสชาติของทำแทระเข้าไปแทะเข้าไปนี่มันก็มีสองแล้วมันจะเทียบกันละทีจิตไม่เคยมีความสงบเลยพอจิตมีความสงบแล้วเอ้ยผลต้องการความสงบมันเป็นอย่างนี้นีจิะของเราเคยพุ่งช่างมันนานมันเทียบแล้วนะนี่พยายามทําให้ความสงบให้มากขึ้นกว่านั้นนานมันมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นถึงเวลาจิตเสื่อมมันถึงจะเป็นจะตายเลยผมเป็นอย่างนั้น ทุกในการบวชนี่นอกจากประกอบควเพียรแล้วยังทุกเพราะจิตเสื่มนี่แโหนไม่ได้ลืนมันต้องด่วนนั่นสืพราะเราเคยเห็นคุณค่าของสมาธิของเราแน่นผึน่งผึงผึ่งแล้วไปเสื่อมมันแคอย่างไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดิ น, ท, ดนทั้งนั่งทั้งนอนมันทำให้ทุกข์ไงทุกข์เพราะอยากได้อันนั้นกลับคืนมาไม่ได้สมใจมันก็ทุกข์ เพราะฉะนั้นกิเลสมันยั่วด้วยวิธีต่างๆด้วยมันจะลากลงในโลกอวกิีอืมทุกขนาดเลยนักทเก็ดีเพราะะ้วเวลาจิตมันกลับขึ้นมาได้แล้วมันถึงได้แท้นถึงใจที่เหมือนเราขึ้นบนกระพองช้างได้แล้วข อ, อกันหนํมามันลงเลยถ้าจิต น, น, นี้จะเสื่อมไปไม่ได้นุ่น ถ้าเสื่อมเมื่อไรเราเราต้องตายเมื่อนั้นไม่มีทางที่จะสืบต่อกได้เลยทีเียมันขนาดนั้นเลยความเสียใจเพราะจิตเสื่พราะมันพอได้กลับขึ้นมาแล้วจะเสื่อมไปไม่ได้บอกนี่เลยถ้าเสื่อมเมื่อไรก็แสดงว่าความตายต้องเป็นไปด้วยกันอจึงทําให้ย้อนหินถึงพระโคตริกัดโคตริกัดท่านเสื่อมถึงหกครั้งนะเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอืมถ้าโคตริกัดเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อม ถึงหกครั้งพอครั้งถึงหกท่านจะฆ่าตัวตายวางเลไม่ไมบรรลุธรรมในขณะนั้นแต่นี่ในในหนังสือรู้สึกว่าจะมีอะไรทั้งขังปรากฏว่าถ้าโคติกัน่นฆ่าตัวตายนะในหนังสือมนะัแอนแปลกจุดน่แล้วตอนนี่วพยายามมาแล้ว ค้นคว้าหาจิตวิญญาณของพระโกฏิกัดนี่ยคือตอนทํางันนะตอนมันไปไปอ้างมันไปเป็นพยานกันแต่ตนว่าฆ่าตายแล้วตอนนั้นก็ไม่วานนะแต่มี ล, ล, ลับๆปิ๊บๆอยู่นั้นนะพอให้สงสัยตรงนั้นแล้วมาเด่นตรงนี้เราจนเป็นความตลกโลกกระท่าไปหมดปนระมาณฤิ์ของมารที่มันค้นคว้าค้นคว้าหาจิตวิญญาณของพระโกฏิกัดประมาณ พระริทธเจาเลยตวาดเอาบ้างว่าพญามารอันเพียงความรู้ของเธอนั้นน่ะจะไปสามารถรู้จิตของพระโคติกัดของเราได้อย่างไงพระโคติกัดเป็นลูกของเราได้อย่างไงเธอก็มีวิสัยตั้งแต่ที่จะดูสัตว์ที่มันคล่องอยู่ในกิเลสที่เท่านั้นแหละพระโคติกัดเราไม่ได้แค่เป็นคนประเภทนั้นเป็นผู้ พ้นแล้วจากอำนาจแห่งมารเพราะฉะนั้นเธอจะค้นหมดทั้งโลกธาตุหรือหรือจะไปโลกธาตุไหนก็ไปเธอเธอจะตายทิ้งเปล่าๆนั่ น, นไม่มีหวังที่จะเห็นร่องรอยของพระโคดจัดเราว่าไปไหนมาไหนเลยเพราะพระโคิกัทั้งเราพ้นวิสัยของเธอไปแล้วปริพพานแล้วนี่แหละตรงจำ ท่านขูพยามารเอาพระพุทธเจ้าองมาทั้งสุภุมีแล้ท่านเมื่อท่านสำเร็จแล้วท่านก็จะเอามีคนมาเฉือนคอตัวทำไมหรือว่าท่านเฉือนในขนานั้นแล้วเวลาจะตายท่านพิจารณาได้สำเร็จมากคนในขนานั้นหรออันนี้มีมีข้อหน้าพิจารณาอยู่ มันหนังสือมันมีอะไรนิดๆผมไปอ่านแล้วอ่านแล้วเพราะหนังสืออยู่ในหลักสูตรปริญญาหนิหนังสือธรรมบทนี่ไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนี่ตลบทบทวนผมก็ทักลื ม, ลมไปแต่แต่มันจับได้ที่ว่าเราสงสัยอยังถ้าว่ามันแจ่มแจ้งแล้วเราสงสัยอะไรมันแสดงว่าไม่แจ่ม แ, แจ้งอะไรนะหรือว่าเวลาท่านแต่ จิตของท่านเสื่อมท่านเอามีกลมาพอเชิญขอป้าวันนี้ท่านจะตายแล้วท่านระลึกได้ในขนานั้นท่านบรรลุในขนาด น, นั้นเป็นได้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วกว่าท่านนี้ผ่านมานะพยายามานคนหายินงยานของท่านเป็นถูกด้วยเจ้าขัวอะนี่อันสำคัญนี่หมายถึงเรื่องจิตเสื่อมนี้ทําให้เสียใจขนาด น, นั้นพระโคตุกัดเป็นตัวอย่าง เรามันเข้ากันได้ทันทีเลยเพราะมันถึงใจจริงๆ น, นะบอกว่าจิตตั้งแต่บัดนี้แล้วจะเสื่อมไปไม่ได้หว่างั้นเลยนะอาฐานเต็นที่ว่าความถ้าจิตนี้ได้เสื่อมไปอะไรก็เท่ากับว่าเราต้องตายไปในขณะนั้นวันนั้นด้วยกันไม่มีสองนะมันจะต้องทําอะไรเจะขอให้ตายจริงคือมันไปอย่างเด็ดจริงๆนนะคือจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเสื่อม ไปเมื่อไหร่เราต้องตายไปพร้อมกันจะ ท, ทนทุกทรมานดังที่เคยเป็นมาข่าวที่แล้วมานี้เป็นไปไม่ได้วา ง, งันนะนี่นี่ะความเสียใจกระดาษไหนฟังดิกิดเสืยมจงกมะทั่งชีวิตก็มาเสียดายแล้วตายเลยดี ก, กว่าว่าจากนั้นมามันกับเข้มงวกขัดขันนะสิไปไหนเหมือนกับนักโทษเหมือนผู้ต้องหาเน่ิตตงนั้นข้าอยู่นั้นเลยมันจะไม่เสือม เสืไม่น่ากันแล้วมันก็จริงกันด้วยจิงกันอย่างนึนงด้วยนักสามตลอดไม่คุ้นกับอะไรทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่เสื่ม <laughs> อมเพราะมันรู้แล้วตั้งแต่ขนาดนั่งตลอดรุ่มอแล้วันเอออยากต้องอย่างนี้สิว่างวาจะของทีนี้ไม่เสื่อมว่างนั้นเลยเออต้องอย่างนี้ทีนั้นทีนี้ไม่เสื่อมนะตั้งแต่นั่งตลอดรุ่มคืนแรกเลยนะมันได้หลักได้เก่งขึ้นมา เหมือนกับว่ามันปีนตกปีนตกมาแล้วมันเข้าไปถึงตึกเลยเนี่ยทีนี้ไม่ตกค่ะหมายคก็ว่ามันไปปีนขึ้นไปตกลงไปพอไปถึงไอ้เหนือที่มันเกาะตื้ที่มันปั๊บติด๊บเออตรงอย่างนี้ที่ทีนี้ไม่เสื่อมมันแน่แล้วตรงอย่างนี้แต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่ได้นอนใจเชื่อนั้นก็เชื่อแต่ความที่เคยเข็ดนี้มันมันมันก็ถึงใจเหมือนกันมันก็ไม่เคยเสื่อมนั่น สําคัญเีื่อนมาติดสมาธิเี้ยมีรถมีชาติสำคัญอยู่หน้าสมาทีเพอให้ตจิมันเป็นติดประการหนึ่งเราก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของผลของปัญญานี่มันก็ต้องติดเป็นธรรมดาพอออกไปทางด้านพิจารณ์ทางด้านปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วมันก็กลับมาทาหนีสมาธิว่านอนตายเวยเว้นเกิดไปอยู่ไรอีกแหละคืออันนั้นคุณค่าสูงกว่านี้ ให้กินให้จังนะจิตนี้เลิศไม่มีอะไรจะเลิศเท่าจิตแหละในโลกนี้ทุกกระทุกเถิดทุ ก, ท ก, ทกเพื่อจะถอนจิตให้ขึ้นจากหล่มลึกคือวัตตจักวัตตะวมที่เราเคยจมมาแล้วไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแล้วแหละกี่กลับกี่กันเราไม่ต้องนับแน่ในหวัวใจไม่สงสัยผมไม่สงสัยจริง เรื่ปีดนี่เคยเกิดแก่เกิดตายมากี่พบกี่ชาดไม่สงสัยเพราะลากฐา น, นมันบอกชัดๆอยู่ในหัวใจขอให้รื้อนั้นออกเถิดที่นี่ออาจะไปพบไหนก็ไปเถอดที่นี่มันรู้ทันทีหมดปัญหาหมดการเกิดตายหมดปัญหาก็ทีเธอมมันก็ถึงใจเหมือนกันเนี่ยการพิสูจน์เรื่องตายเกิดตายสูญแต่พิสูจน์แบบ เอาความรู้ของกิเลสไปพิสูจน์มันก็มาพันหัวจะของนั่นแหละนะความรู้สามัญธรรมดาทั่วๆไปไปพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมีภาควิจารถกเฉียงกันขมดน้ําลายเปล่าเป็นสภาน้ําลายเปล่าพระพุทธเจ้าเพอย่อะไรพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์จิตที่ท่านพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติภาษาวกท่านพสูจด้วยภาคปฏิบัติท่านมาที่พิสูจ น, ด น, น์ด้วยน้ําลายนี่ท่านมาที่พิสูจน์ด้วยความจดจําเอาแต่ชื่อมันมา ท earth, ่านที่ฝึกเข้าถึงตัวจริงอจริงๆท่านถึงได้รู้จริงเราเรียนตามตำลับตำราเราไม่ได้ประมาทนะตำลับตำราแล้วก็เรียนเหมือนกันแล้วไม่ได้ประมาทแล้วกราบไหว้เสมอแล้วไม่เคยล้นละสงกราว่ามันชื่อของจิตเดชทั้งนั้นชื่อของธรรมทั้งนั้นชื่อของมรรคทิพานที่ของสมาธิที่ของปัญญาแต่องค์ของสมาธิองค์ของปัญญาตัวจิตเดชจริงๆมันไม่ได้อยู่ในหนังสือนี่นะมันอยู่ที่หัวใจเราเนี่ย อท่านจึงฟาดกันลงที่นี่ขุดกลงที่นี่สิตัวไหนก็จะรู้กิเลสสมาธิหรือปัญญาขั้นใดขั้นไหนก็จะรู้ที่นี่ไม่ได้ดูหางอะไรจากใจเลยใจกับทําอยู่ด้วยกันแต่จะเพียงว่ากิเลสมันปิดเอาไว้ไม่เห็นเหมือนอย่างที่นี่ที่โลกชั้นที่เตียนมันจะอยู่ไกลไหมอ๋อเะเมื่อว่าที่นี่มีหญ้าปกคลุมหุ้มหอไว้มืดมิดไปหมดจนมองหาที่สะอาดไม่เห็นไม่เจอเลยอย่างนี้ มันอยู่ห่างไกลนักเหลออ่ะเอาลื้อออกที่สิ่งที่ปกคุมหุ่นหอมที่เตียนโล่งเนี้ยจนมองหาไม่เห็นเอาลือออกให้หมดแล้วความเตียนโลกจะมาจากไหนมันก็มีอยู่ที่นี่เองนั่นมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นเหมือนอย่างว่า ม, มืดน่เวลามันมืดเนึกเหมือนกับว่าความแจ้งความสว่างจะไปอยู่โลกไหนพอเปิดไฟจ้าขึ้นมาเท่านั้นความสว่างมันก็อยู่ที่นี่เนี่มันอยู่ในฉากเดียวกัน กิเลสกับธรรมอยู่ในฉากเดียวกันความมีกิเลสคลังของกิเลสกับคลังของมกกรรคผลิภานก็อยู่ในฉากเดียวกันในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนเอาลงที่นี่ยาต้องคิดในเสี่ยวกับเวลานะสอนด้วยความลงใจแต่ไม่สอนแบบงมเงาเกาหมัดอะไรให้จังเราเคยทุกมาแล้วความโลภทำใครให้พิเศษ ความโลภคือกิเลสทำใครให้พิเศษความโกรธความหลงทำใครให้พิเศษมีไหมคนวิเศษด้วยความโลภความวิเศษด้วยความโกรธคนพิเศษด้วยความหลงคนวิเศษด้วยความรักความชังมีมีมีไหมไม่เห็นมีใครก็โลภเราก็โลภเขาก็โลภเราก็โกรธเขาก็โกรธเราก็รักเราก็ชังเขาก็รักเขาก็ชังก็เขากับเราก็เท่าเท่ากันมีใครพิเศษกกันวะอสมาเธิอะไร เราจะให้มันวิเศษยิ่งกว่าสิ่งที่กล่าวมานี้กว่าบุคคลกว่าหัวใจที่ที่กล่ามานี้ด้วยการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าวิเศษเพราะพ้นอย่างนี้ต่างหากนี่ภาษาโบราณท่านวิเศษเพราะการพ้พนอย่างนี้ต่างหาเราได้กราบ พ, พระพุทธเจ้าพุทธรธรรมประสงค์เพราะธรรมชาติที่วิเศษตัง้งสามนั้นพ้นอย่างนี้แล้วนั่นเราไม่ได้กราบความโลภความโกรธความหลงความรักความชังนี่นะมันมีเต็มหัวใจเราหัวใจขอแล้วอาศัจอะไร สิ่งที่พาโลกให้จมก็คือสิ่งเหล่านี้ต่างหาืนี่พูดแต่นั้นเป็นบ้าไปหพูดเม่ยแล้ว